BOOK 2ห้าสิบเก้าชนกว่าบุหรีนกบุรี่รรรรที่ทำการไพรสนีพูดถึงที่ทำการไปรส์นีที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหน อัที่ที่ำการไพรส์นีใกล้จากที่นี่ไหมอันหตกรายาไรส์นีที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหน ดพีดิดิฉันต้องการสแตมป์สองสามดวงมาร์าสำหรับกา ร, ร์าดและจดหมาย อัตขรดค่าบีพิษมามีอพายค่า ส, งาส่งไปรษณีย์ไปอเมริการาคาเท่าไหร่อมเมริกัมนสพชตวาเซอร์ทับชอมเมริกนสพชตวาเซอร์ทับชพัสดุหนักเท่าไหร่ บ้าพิษตุมทับชกิชชิรรดิฉันส่งทางจดหมายอากาศได้ไหมมึร авиапочтаче ступчен с л е ч е с т а มึร авиапочтаче ступчен с л е ч е с т а ใช้เวลานา น, านเท่าไหร่กว่าพัสดุนี้จะไปถึง มือถือพิเศษนั่นสิฉันโทรศัพท์ได้ที่ไหนเธอเซืิ้นนสเสติชเทวนสเลชตตู้โทรศัพท์ที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหนโทรศัพทวูนัซโกอันอับล ที่คุณคุณมีบัตรโทรศัพท์ไหมคะคุณมีสมุดโทรศัพท์ไหมคะอาโท คุณทราบรหัสโทรศัพท์ของประเทศออสเตรียไหมคะออสเตรียมยีคดชีอาออสเตรียยคดชีอารอสักครู่ขอดูก่อนนะคะตอกดดกัสจมารกลิชตกดกัจมารสกีปลิตดดชต สายไม่ว่างตลอดเวลากัวรบอดจเรนมกอกัวรบอดจเรนมกอคุณต่อเบอร์อะไรดเดนมรวเวารดเดนมรเวารคุณต้องกดศูนย์ก่อน AP 0 7 5่ส0